พระธรรมเทศนาลำดับที่สามโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในโอกาสงานวันลำลึกไม่ชี้แก้วเสียงล้ําอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะโมตัสสะภะโวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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 พราะอธิธาต์ของท่านได้กลายเป็นพระธาตุในหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาถ้าท่านผู้ใดก็ตามถ้ามรณภาพลงไปอธิธาต์ได้กลายเป็นพระธาตุเรียบกลายแปลเป็นจำภาพเป็นแก้วเป็นหินหรือว่าผิดปกติจากกระดูกธรรมดาอันนั้นเรียกว่าอธิธาต์ได้กลายเป็นพระธาตุอันนั้นคืออธิธาต์ของพระอรหรันต์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 เป็นเวลาถึงยี่สิบสองปีจากวันมรณภาพมาถึงวันนี้ก็ น, นับว่านานพอสมควรแต่ถึงยังไงทำคำสอนของคุณแม่ที่ท่านแนะนำสั่งสอนคณะสัทธาญาติโยมลูกหลานที่ได้ยินได้ฟังก็ยังเป็นที่พอใจเป็นที่ออพออพอใจของผู้ได้ยินได้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อเองที่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 ตอบได้เร็วนะถ้าไม่อยากจะแก่ก็ตายซะท่านว่ะเออใช่นี่แหละนี่แหละคุณแม่เป็นผู้มีพระคุณสําหรับลูกหลานในถิ่นนี้ท่านได้แนะนําสั่งสอนแต่ก่อนหน้านี้ท่านกเออ็เป็นแม่ชีแต่ว่าเป็นชีที่อยู่ในกรอบศิลศลธรรมเป็นผู้มุ่ง ม, ม, มั่นในธรรม อ, อ, อยู่ในความสันโดษ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 การปฏิบัติให้ท่านหลงตาฟังนั้นลงปาฟังแล้วลงตาเออจบแล้วจบเพียงแค่นี้ในการปฏิบัติธรรมเราเป็นอย่างไรทางด้านจิตใจแม่ชีแก้วเป็นอย่างนั้นแม่ชีแก้วเป็นอย่างไรเราเป็นอย่างนั้นอันนี้คล้ายๆองค์หลวงตาเป็นผู้รับรองในธรรมะขั้นสูงสุดก็คล้ายๆกับว่าปริยาเอกรับรองปริญาเอกลักษณะอย่างนั้นแหะคือความรู้ในจุดนั้นะ เหมือนกันไม่แพ้กันดวงตารับรองแต่พวกเราท่านทั้งหลายศิทยิญาณุสิทธิลูกหลานทั้งหลายก็มีแต่ฟังแต่พอคุณแม่ล่วงรับดับขันไปพวกเราก็ได้ไปชุมเพิงสรีระของคุณแม่ไม่นานกระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นแต่นั้นจึงพวกเราจรึงได้มั่นใจจึงได้ร่วมกันสร้างเจดี ขึ้นมาเพื่อเป็นที่บรรจุพระธาตุของคุณแม่ชีแก้วเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลวันหนึ่งที่ครบรอบวันมรณาภาพแต่ตามจริงวันมรณาภาพของคุณแม่เป็นวันที่สิบเจ็ดสิบแปดมิถุนาทุกปีนะแต่ว่าพวกเราทำเดือนมีนาพวกเราคณะกรรมการได้ปรึกษาปรารถกันเพราะเดือนมิถุนาเนี่ยเป็น วันที่ฝนตกชุกแล้วนั้นพี่น้องชาวถิ่นนี้ก็เดือนพฤษภามิถุนานก็เป็นปีเป็นเดือนที่ลงทํ า, ารรนาทํานาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมาจัดงานในขณะที่พี่น้องกําลังทําไร่ทํานาก็เป็นการรบกวนพี่น้องจัตทายาทโยมลูกหลานเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทําถูกการสถานที่บุคคลกาละเทสะ พวกเราจรึงได้ไปชมกันว่าน่าจะเอาอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาทุกปีแต่ปีนี้ตกตกสุดท้ายจริงๆปีนี้ตรงกับวันที่สามสิบเอ็ดมีนาห้าหกเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายเพราะนั้นวันพรุ่งนี้เป็นวันทาบุญลำลึกถึงพระคุณแต่ลูกพ่อก็ได้บอกกับคณะท า, า ย, ยาทโยมทุกหมู่เหล่าบอกว่า ถึงเราจะไม่ได้ทําวันที่1 8บแปดมิถุนาก็เถอะนะแปลว่าพวกเรานี่เป็นลูกเป็นลูกหลานเป็นลูกหนี้ชั้นดีทําไมจึงไหวาจางนั้นเพราะพวกเราใช้หนี้ก่อนกําหนดฮะหลวงพ่อว่านะพวกเราใช้หนี้ก่อนกําหนดแต่ถ้าว่าพวกเราไปทําบุญเดือนกรกฎาสิงหาไปนั่นไปว่าลูกหนี้ทะเลถลายวันของคุณแม่วันที่สิบเมิถุนานูน่น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 ที่มาร่วมงานในวันนี้นับว่าเป็นชลิเป็นมงคลสำหรับลูกหลานของพี่น้องชาวบ้านห้วยทรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง, ง, ง, งตลวงพ่อเองในฐานะลูกหลานด้วยทั้งที่เป็นญาติด้วยที่เป็นลูกหลานของคุณแม่ด้วยทีงท่งเป็นญาติธรรมด้วยลหลายระดับที่วงพ่อก็ได้มาทุ่มเทและสร้างเยดีพิพิธภัณฑ์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 หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาท่านก็ให้กรรมฐานที่เป็นต้นตระกูลของพระกรรมฐานในยุคนี้ก็คือหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นจากนั้นท่านก็สอนสิทธิอนุสิ์ของลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นก็มีหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟั้นหลวงปู่เทศหลวงปู่อ่อนหลวงปู่ชอบหลวงปู่ล่าหลวงตามหาบัวเป็นตัวรูแล้วมีเยอะนะหลวงปู่จามไใช่เราเข้าในกลุ่ม กลุ่มลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเหมือนกันแต่หลวงปู่มั่นท่านสอนอะไรท่านบอกว่ า, วาท่านหลวงปู่มั่นสอนถ้าว่าส ม, มถะนะภาวนาส ม, มถะส ม, มถะและวิปัสนาสมถะคือทำจิตใจให้สงบวิปัสนาคือกั้นกลองไตรตรองเหตุและผลอันนี้ส ม, มถะคือทำจิตใจให้สงบนั้นหลวงปู่มั่นสอนว่าให้ภาวนาอาณาปานาสติกาหนดลมหายใจเข้า รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกอันนี้เราอานาปานสติแต่หลวงปู่มั่นพนัวเข้าไปสองอสองอย่างคือตามจริงพุทธานสตติธรรมานสตติสังคารแต่หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าเอาเถอะพระภาวนากำหนดแต่ลมหายใจเข้าออกเฉยเฉยมันหลุดได้ง่ายมันหลงลืมได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายต้องเอาสองเข้าไปคือคือหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธ นี่หลวงปู่มั่นเป็นกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นคือกรรมภาวนาพุทโธไงและถ้าว่าสายอื่นก็ว่ายุบน้อพองนาะบางทีก็กำหนดเรื่องสติบางคนก็กำหนดตัวเจตสุดแท้แต่ของผู้ที่จะแนะนำสั่งสอนสิทธญาณุสิทธิ์ผิดไหมไม่ผิดนะคณะัทธาญาติโยมลูกหลานหลวงพ่อเคยเปรียบเทียบให้ฟังว่า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 ท่านมาแนะนําสั่งสอนพวกเราเราจะไปถือว่า เ, ออเราเนี่ยเราเรียนวิชาทางนี้แล้วไปปาหมารองค์นั้นองค์เรียนอง์นั้นแบบปาปาหมารองค์นี้มันไม่ถูกอันนั้นเป็นบาปกรรมเพราะเราไม่ไม่รู้ไม่รู้ออไ ม, ไม่ไม่ชำนาญเราจะไปปาหมาดท่านเป็นบาปเป็นกรรมเพราะฉะนั้นเราต้องฟังถ้าเราทศท่านสอนอยังไงเราปฏิบัติ ด, ดูถ้าปฏิบัติ ด, ดูแล้วเออไม่ได้ไม่ถูกกอุปนิสัยของเรา แล้วก็เปลี่ยนกรรมาฐานใหม่เออแล้วก็ไปเอาฟังดูซิองค์นี้ดูซิเมื่อเราไปเรียนดูแล้วถูกกับจริตของเราเอออันนี้ใช้ได้แแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติอันนี้แหละให้พวกเราใฝ่ในการศึกษาอย่างที่หลวงพ่อแนะนําพวกลูกคณะทัตยาติโยมทั้งหลายหลวงพ่อบอกว่ากรรมาฐานหลวงปู่มั่นท่านสอนว่าให้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธ หรือว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธหลวงปู่มั่นสอนนะให้ถีเย็บอันนี้ก็คือการภาวนาแต่หลวงพ่อแนะนําว่าเออลูกหลานทดลองเดียสิหลวงพ่อภาวนารู้สึกมันเห็นได้เร็ว่เห็นได้ง่ายเห็นได้เร็วก็คือหายใจเข้าให้พวกเรานับนะนับหนึ่งหายใจออกนับสองนับสามนับสี่นับห้านับหกนับเจ็ดนับแปดนับถึงร้อยไม่เผลอนะแสดงว่าสติของเราดีนะคําว่าเผลอมันเผลอยังไง เวลาหายใจเข้าหนึ่งเป็นเลขขี่นะสองออกเป็นเลขคู่สามเป็นเลขขี่สี่เป็นเลขคู่ห้าเป็นเลขขี้หกเป็นเลขคู่เข้านี่เป็นเลขขี่ออกเนี่เป็นเลขคู่นะถ้าหากว่ามันจะเผลอเนี่ยเออมันจะเบอร์เบอร์จากนั้นก็หายใจเข้าเป็นเลขคู่หายจะออกเป็นเลขขี่สลับกันแสดงว่าสติของเราย่ำแย่แล้วถ้ามันเผลอบ่อยๆเนี่ยยิ่งย่าแย่ใหญ่เออ ไม่ควรจะไว้ใจแหละเออต่อไปเนี่เราจะเป็นอันไซเมอร์ได้ดไดไง่ายๆและเป็นบ้าอีกต่างหากเพราอะไรเพราะขาดสติคนขาดสติมากๆนะแต่ะคนบ้าให้เราจะเป็นลักษณะ น, นั้นหรือเปล่าเนี่ยเออเราต้องตั้งสติให้ดีนะนี่แหละให้เราพยายามดูดูให้เข้มงวดพยายามนับดูตั้งสติให้แข้มแข็งถ้านับดูถึงร้อยไม่เผลอแปบลบว่าใช้ได้นะนับอีกครั้งที่สองไม่เผลอใช้ไดออ้นับไปเรื่อยๆไม่เผลอสักครั้งอันนั้นแหละยิ่ง ดีดีที่สุดสติของเราดีนี่แหละวิธีการภาวนาเพราะว่าไม่ใช่อย่างเดียวนะการวิธีการภาวนาพระพุทธเจ้าท่านสอนน่ะสอนสิตญานุสิ์สอนอุบาสกอุบาสิกาโดยเฉพาะอย่างยิง่งท่านสอนมีมีมากลากลายสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงกบิลละพสัสมัยนั้นนะ่ะท่านเทศนา ว่าการพระบิดาของท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระโสดาพระอนาคาเป็นพระหันจากนั้นพระมารดาเลี้ยงของท่านก็ออกมาบวชก็ได้สําเร็จเป็นพระรหันแต่นี้ยังเหลือน้องชายน้องชายของท่านน้องชายพระพุทธเจ้าชื่อพนันทะแล้วก็น้องสาวคือนางรูปนันทา น้องสาวของพระพุทธเจ้าแต่น้องสาวต่างมารดานะพระพุทธเจ้าเนี่ย เ, เกิดเรียว่าประสูตรกับพานาังสิริมหามายาแต่นันทกุ ม, มารกับรูปานันทาเนเกิดกับนางโคตมีแม่นา้าคือแม่นานี่ก็คือเป็นน้องสาวของของนางสิริมหามายาคือพระเจ้าจุโฑทนพ อ, อนางสิริมหามายาประสูตร สิทธะคือพระพุทธเจ้าของเราได้เจ็ดวันสิริมห า, มายามาก็ได้สวรรคตรพอสวรรคตรแล้วพระเจ้าจุดโทธนะก็เลยได้แต่งงานกับน้องสาวเป็นอัคคมหิสีคือนางโคตมีนางโคตมีก็ได้เลี้ยงเป็นพระเป็นพระแม่เ ล, เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงหลานแต่ท่านก็รักยิ่งกว่าลูกของท่านเลยอีก รักพระพุทธเจ้าพระธรรมพุทธเจ้าเป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่ใครใคเห็นเครักเคารพนับถือเลื่อมใสทั้งหมดนางโคตมีอคคมเหตสีใหม่นี่ก็ประสูติว่านันทะกุ ม, มารกับภูปะนันทานอย่ากนั้นพอพระองค์พระพุทธเจ้าของเรา เ, เป็นศิริัตถ์พอเป็นหนุ่มขึ้นมาก็เป็นที่พอใจในการสแสดงศิลปะอะไรให้พระบิดาหรือเป็นพระพระประยุรญาตดู เป็นที่พอใจอย่างมากจากนั้นพระบิดากรยกให้ศิทธษาเนี่ยเป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองปกครองแทนพระบิดาจากนั้นพระองค์อายุถึงอายุย9สเปีพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยศิทธษฐาของเราก็หนีออกจากเวียงวังไปบวชอยู่ในป่าหนีออกกลางคืนอีกต่างหากนะแบบขโมอยหนี้ห ล, ละละไปอยู่ถึงแม่น้ำอโนมาณทีเขตแขวงกรุงราชคฤห์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 พอสุดท้ายท่านก็เลยไปสําเร็จเป็นพระหรหันต์เพราะเจ้าหุตจุโทธทนะนะเมื่อท่าน เ, เมื่อท่านปรินิพานเนี่ยจะว่าสวรรคตไม่ได้พพพพเดรนะพราะพระพุทธเจ้าจุโธทนะเนี่ยพระบิดาของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์ต้องว่าปรินิปรินิพานถึงจะเป็นคารวาสก็เถอะก็ต้องใช้ศัพท์ว่าพระเจ้าจุโทธทนะปรินิพานฮนะเนีอย่างนั้นก็พอต่อมา นางโคจะมีพระแม่เลี้ยงเนี่ยก็เอายขอบวชก่อนที่จะขอบวชโอ้ประวัติจะยืดยาวนะแต่ตัวนี้แต่พระเจ้าก็ให้บวชบวชเสร็จแล้วก็งางนางนั่งเหลือแต่นะนันทะกับรูปะนันทาแต่นี้นเขาพระพยุรยาธทางร้ายก็จะจับแต่งงานคือสมัยนั้นเขาไม่ได้ว่านะอพี่น้องแต่งงานกันพี่ชายแต่ ง, งานางงานกับน้องสาวนะแต่นี้นพอถึงกําหนดแล้วก็จะแต่งงาน ให้ครองคองเรือนจากนั้นพระองค์ก็เข้าไปเทศโปรดไปโปรดพระปิดาพระบิดาก็ยังยังอยูนะ่จากนั้นก็เห็นน้องชายกำลังจะแต่งงานอย่างไรนันทานี mm hmm. ่ก็นันทาก็เห็นพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์เข้าไปฉันในเวียงวังนันทาก็เข้าไปปนนิบัติดูแลถวายสิ่งของถวายน้าถวายสิ่งของเสร็จแล้วก็ พอพระพุทธองค์สย่ยวพระกัาราเสร็จนะก็ให้นันทาเป็นผู้อุ้มบาตรเออเป็นผู้อุ้มบาตรตามหลังพระพุทธเจ้าพออุ้มบาตรมามาถึงหน้าประตูที่จะลงจากเบียงวังนางรูปนันทาที่เป็นน้องสาวกำลังจะแต่งแต่งงานในวันนั้นเห็นว่าพี่ชายกำลังจะตามเสด็จพระพุทธเจ้านะ นางรูปะนันธาเนี่ยกาลังสะผมอยู่ว่ากันเนี่ยกำลังสะผมล้างผมสะผมอยู่ก็เห็นว่าได้ยินว่าพี่ชายจะไปตามพระพุทธเจา้านางก็ไม่ได้คิดอะไรเออออกมาจากที่สะผมเลยน้ําผมน้ํายังไหลยหยดอยู่เออยังไหลยหยดอยู่ก็สั่งว่าอพระลูกเจ้าเมื่อตามเสด็จพระพุทธเจ้าแล้วรีบกลับนะพะยคัคฆะ นี่นางรูปะนันธาสั่งสั่งพี่ชายน้าพี่ชายก็มองเห็นน้องสาวนแต่จะได้แต่งงานกันในวันนี้นะจากนั้นพระพุทธเจ้าก็เดินเดินพอไปถึงหน้าประตูเพราะพุทธเจ้าก็ไม่รับบาดจากนันทะนันทะเอ้พระพุทธเจ้าจะรับบาดคงหน้าประตูคงจะรับรับเอาบาด ท, ท่านมั่งพอไปถึงพลานกลางกลางสนาม นันทาก็คิดเอ๊ะพระพุทธเจ้าคงจะรับอวาบาัดตรงกลางสนามก็เดินไปอีกไปถึงประตูประตูวังเอ๊ะพระนั่นพระพุทธเจ้าคงจะรับอวบาดอยู่ที่หน้าประตูมั้งพระพุทธเจ้าก็เดินชยไม่รับอวบาดจากพระนันทาเพราา น, นาก็ไม่รู้จะส่งบาทให้ยังไงเพราะพระพุทธเจ้าไม่ถามอวบาดแต่กอุ้มบาทตามหลังไปอย่างนั้นทถนี่พอไปถึงที่ในกรุงกระบินแลพัฒนะ์น่ะป่ามะม่วง พอไปเข้าไปแล้วพระพุทธองค์ก็ถามว่านันทะจะบวชไหมเมื่อพี่ชายพระพี่ชายถามอย่างนั้นได้ทํำยังไงท่านี่ไม่บวชครับก็เป็นการปฏิเสธขาดความเคารพในพักพระพี่เจ้าเเอออที่เป็นพี่ชายก็ถามว่าบวชไหมทุดแท้แต่พระพี่จะให้บวชก็บวชครับเออเอาบวชนะอไปบวชจ้า กาสั่งไปอาอนอนนสารีบูตรโมคคลาบวชนันทะจากนั้นพระ น, นะันทาก็เลยบวชเหมนกันพ่อบวชเสร็จแล้วก็อยู่ในวัดอะไนีนางรู ป, ปะนันทาก็ไม่ได้แต่งงานเลยแต่พระเจ้าจุโถธนาก็เสียใจอยู่เหมือนกันเอเราก็คิดว่าจะให้นันทะเป็นผู้แทนเป็นน้องชายแทนปกครองเป็นพระเจ้าแผ่นดินฮะจากนั้นก็ต่อมาแล้วก็ พระเจ้าสุโธทนาก็ท่านก็เสียใจแล้วก็เ อ, อ้ยยังเหลืออยู่ลาหุนราหุนคือลูกของพระพุทธเจ้าเนี่ยยังเป็นลาหุนเออเอาต่อไปราหุนเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ก็ดีละอต่เมื่อน้องชายบวชกับพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังหลานต่อมาเอกเดยนางพิมพายโสทราที่เป็นแม่พระลาหุนเนี่ยที่เป็นมารดาของพระลาหุนเนี่ยออท่านเห็น อพระพุทธเจ้าเข้าไปม า, มาฉันในเวียงวังพระราหุนก็อายุเจ็ดปีพอมาฉันในเวียงวังออบ่อยก็บอกให้ลูกชายว่านี่นะลูกลาหุนลูกนี่สมณะผู้เดินก่อนนดผู้สูงสูงนะที่องค์อาจนะที่เดินก่อด น, นะนั่นแหละคือพระบิดาของเจ้านะลูกนะแต่ก่อนเมื่อพระบิดาของเจ้าเนี่ยครองราชอยู่เนี่ยขุมทรัพย์เกิดอยู่ในสี่มุมเมืองฮะ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 ขุมทรัพย์เกิดในสี่มุมเมืองแต่บัดนี้ขุมทรัพย์เหล่านั้นได้หายไปแล้วขอพออระองค์ประทานพระราชทานและประทานให้ข้าพระ อ, องค์ด้วยเทิดต่อไปข้าพระ อ, องค์จะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองเมืองกรุงกบิลละพัทแต่ขอให้มีขุมทรัพย์เกิดขึ้นเหมือนกับพระ อ, องค์อย่างสวยราดในครั้งนั้นโดยเทิดพระเจ้าข่าแม่แนะนําลูกชายลูกชายกับ อม่นใจเนี่ก็เดินตามหลังพระพุทธเจ้าไปอีกเออพอมาชันเสร็จแล้วก็เดินตามหลังละนะเจนี่พอไปถึงพระบิดาครับขอประทานหุมทัพให้กับผมด้วยครับเออพูดตามหลังไปพระพุทธเจ้าเออเออไปเรื่อยพอไปถึงวัดป่าเออป่ามะม่วงที่ว่ากรุงกบิลพัฒน์ทวารลาหุน่นจะบวชไหมลาหุ่นก็ไม่ เอ า, อ ย, า, เ อ, า, านะอย่าไปเอาโลกิยาซั์นะลูกนะอย่าไปเอาโลกิยทรัพย์นะเอาโลกุตตทรัพย์ก็แล้วกันโลกิยาซับ ม, มันหมดเป็นมันหายเป็นอันตราธานหายไปได้แต่โลกุตตะระซับเนี่เป็นซัท์ที่สาวรที่มั่นคงเอาโลกุตโลกุตตทรัพย์ดีกว่านะลูกนะครับผมพกะรองบอกเอาถ้างั้นสารีบุตรเอาลาหุนไปบวชแต่ใ น, นพระลาหุนก็เอาพระ ภาษาที่บุตรเทียนเป็นอ克拉สาวกของพระพุทธเจ้าก็นําลูกชายของพระพุทธเจ้าไปปองผมจากนั้นก็บอกกรรมฐานและกระบวดเป็นสมรเณ์ตอนนี้แหละพระเจ้าจุดโททนะโอเป็นเดือดเป็นร้อนขนานหนักเลยทีนี้คือตั้งความหวังว่าจะให้นันทะเป็นพระเจ้าเป็นดินแล้วก็ยังพาดไปถึงพระราหุนอีกลาหุนบวชอีกทีนี้พระเจ้าจุดโททนะได้ไปกราบพระพุทธเจ้ากราบลูกชายกราบพระพุทธเจ้าผ่าน ขนาดข้าพระ อ, องค์ได้เป็นพระอริยบุคคลรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมในระดับหนึ่งแต่ขนาดนี้ข้าพระ อ, องค์ก็ยังเสียใจอย่างมากที่ลูกชายนันท้าบวชก็ไม่เท่าไหร่พระยังหวังกับพระลาหุนลูกหลานชายแต่บัดนี้ลาหุนบวชข้าพระ อ, องค์เสียใจอย่างมากตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะลูกเนะ้อถ้าจะเอากนละบุตรคนไหนบวชก็ขอให้ได้รับอนุญาตจากพ่อแม่เขาเสียก่อน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 อนุญญาโตซิมาตาปิโตหิเจ้าได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือยังอามะพันเตครับผมได้รับอนุญาตจากบิดามารดาแล้วจึงค่อยให้บวชนะแต่ถ้ามัรดาทําพ่อแม่ไม่อ น, นุญาตเนี่ยพระพุทธเจ้ามาให้บวชนะเพราะพ่อพ่อแม่ไม่อ น, นุญาตนะนี่แหละอันนีค้คือความเป็นมาของวิในจากนั้นพระนางลูปานันทาก็ ออยู่ในบ้านแท้ๆแม่กอบวชพี่ชายก็บวชหลานกอบวชพี่สะใภ้กอบวดไง ก, ก็นางก็อยู่ตามลําพังแต่ว่าจะไปฟังเทศพระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้าตํานี้ว่าร่างกายสังขารเป็นอสุภะปฏิกูลเป็นของที่ไม่เสร็จสวยงดงามเป็นอสุภะมีแต่ของโสโครกไหลออกจะทางจากทวารทั้งเก้า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 อตาก็สวยหูก็สวยอะไรก็สวยมเองพอได้ยินพระพุทธเจ้าตำห น, นิไม่พอใจไม่ไปฟังเทศน์นี่แหละคนในครั้งนั้นก็มีมั่งการถ้าติดสวยติดงามใช่ไห อ, อจากนั้นนางรูก ป, ปันธรรมไม่ไป อ, อไม่ไปฟังเทศแต่ทีนี้นก็ต่อมาก็เห็นว่าแม่เขาบวชนี่นางโคตมีก็บวชแล้วไปอยู่กับแม่เ อ, อเป็นภิกษุณีแต่ไม่ยอมบวชนะไปอยู่กับแม่เ อ, อ แต่ทีนี้ก็พิคตูนี้ทั้งหลายพิกคตูนี้น้อยหนุ่มทั้งหลายก็มากละมดมาบอกโอ้โหพระพุทธเจ้าเทศวันนี้อออืเยดย้อยเหลือเกินน่าฟังเหลือเกินมีเหตุมีผลพระพุทธเจ้าเทศใครๆก็มาพูดนางรูปานันทาก็ฟังเขาว่าพระพุทธเจ้าเทศดีเหลือเกินพระพี่ชายของเรานเทศดีอบรมดีเราควรจะไปฟังเทศวันนี้อไปดูดูซิเป็นยังไง ท่นี้พระพุทธเจ้าท่านรู้แล้วว่าว hmm? kind of ันนี้รูปะนันธาจะเข้ามาฟังธรรมเราจะมาฟังเทศเราวันนี้เขาจะนักเขาจะยืนอยู่มุมนั้นเขาจะนั่งอยู่มุมนั้นพระพุทธองค์รู้แล้วส่พอนางรูปะนันธามาถึงท่นพระพุทธเจ้านิรมิตเลยนะใช้นิรมิตเลยล่ะใช้ฤทธิ์เลยล่ะอิทธิฤทธิ์เลยล่ะนิรมิตหญิงสาวคนหนึ่งมานั่งอยู่ข้างๆที่พระพุทธเจ้าเทศ หญิงสาวคนนี้สวยมากเหมือนกับนางสวรรค์สันไหนก็ไม่รู้นะไงอายุสิบห้าสิบหกปีถือพัดนะถือ พ, พัดพัดพระ พ, พุทธเจ้ายพระพุทธเจ้าก็แทศการเทศนาว่าการใช่แต่คนอื่นไม่เห็นนะเห็นแต่นางรู ป, ปนันทาคนเดียวเห็นเห็นรูปนิมิตนั่นเนี่ยแต่นางรู ป, ปนันทาเห็นไม่ฟังเทศพระพุทธเจ้าเลยตาจ้องอยู่โอ้โห <c oughs> เราก็ว่าเราสวยงาม แต่มาเห็นหญิงสาวคนนี้เราเราตกขอบเลยว่าไั้นีออ่ะเราเนี่ไม่รู้ว่าเป็นลิงอยู่ป่าไหนก็ไม่รู้หญิงคนนี้ทําไมสวยถึงขนาดนี้คือนางรูปา น, นทานตามลําพังอยู่ในห้องสิบสองศอกนี่แสงสว่างออกจากร่างกายนะ อ, อไม่ต้องไม่ต้องจุดเทียนไปหยิบเอาของในห้องมืดๆนี่ได้เลยเพราะเห็นอะไรเพราะว่ามีแสงสว่างออกจากร่างกายนี่แหละความสวยงามท่านจะติดในร่างกายนางรูปะ น, นทานเนี่ย จากนั้นก็พอนาเจ้าดูไม่ได้ฟังเทศพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็นิรมิตผู้หญิงคนนี้ถือพัดวีพัดพระพุทธเจ้าอยู่พอพัดไปหญิงคนนี้ก็หญิงสาวน้อยคนนี้ก็อายุแก่ขึ้นเรื่อยๆอายุยี่สิบห้าอายุสามสิบอายุสี่สิบอายุห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดิบเก้าสิบพออายุถึงเก้าสิบ อ, อนางสาวน้อยตะกอนเนี่ยดูดแล้วจิมันไม่เป็นอย่างนั้นอ่ะผมขาวทีะีิหนังเหี่ยวฟันหลุดเออตาฝ้าฟั ง, ฟงเวลาจะพัดแต่ละครั้งนี่ชักที่ชักงอกร่างกางอกงากงอกหนักตะกอนอย่งค่อยพัดแต่ละครั้งทีนี้นางรูปะนันทาเห็นโอ้ทําไมเป็นอย่างนี้วะร่างกายสังขารเนี่ยสมัยเป็นน้อยเป็นหนุ่มก็มันก็สวยงามแต่บัดนี้โอ้โหอายุขนาดนี้แล้วดูแล้วหาความสวยงามไม่เจอแล้วนี่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 นางได้สาเร็จเป็นพระรหันในขณะที่ยืนที่นั่งฟังอยู่ทุกนั้น่เ อ, อพอนั่งฟังได้สาเร็จเป็นพระรหันพระพุทธองค์เออจบแล้วเออสอนคนนี้ออสอนน้องสาวคนนี้จบแล้วจากนั้นนางก็เลยได้ปวชเป็นภิกจุนีในพระพุทธศาสนาเต่อมามาพูดถึงพระนันทะที่นี่ไอพระนันทะนี่ก็พอบวชเข้ามาได้ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์นี่ก็ลําลึกถึงพระนางรูปนันทา ที่เป็นน้องสาวที่มาสั่งเสียกําลังจะลงจากบันไดบันไดพระราชวังนางโพออกมาจากหน้าต่างบอกว่าพระลูกเจ้าไปแล้รีบกลับนพยาค่ะเนี่ยคำนี้เรางนี่มันมันเติบอยู่ในใจของพ น, นันธาเหอนกันเถอคิดถึงน้องสาวคํานี้พนานธาเนี่ยก็พอคิดขึ้นมาแล้วก็อยากจะศึกในช่วงก่อนหน้านี้ยากจะศึกอย่างมากจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ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 รูปานันธาที่เป็นน้องสาวจะต้องแต่งงานกันด้วยท่นี้เนี่ยทีนี้ก็พระนันทาก็ไม่เป็นอันอยู่อันกินท่านีองพอต่อมาท่านีองอดลนทนไม่ได้พระสงฆ์ก็ถามเนื่องท่านนันทะท่านไม่สบายเหรอครับผมไม่สบายครับไม่สบายใจครับผมอยากจะสึกนะฮะผมอยากจะลาสึกขาครับพระสงฆ์ก็ได้ยินเอาท่านท่านจะสึกไปทําไมเนะี่ยโอ้ผม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 ถามว่านันทะเป็นไงเธออยากจะศึกเหรือเพราะมันมันเกลือถึงขีดแดงแล้วใช่ไหมละ่ะมันอดไม่ได้ด้วตัวนี้พูดตามความเป็นจริงเลยพระเจ้าข่าวข้าพระองค์อยากจะศึกอย่างมากเลยพระเจ้าข่าททำไมละ่ะนันทะเพราะข้าพระองค์เห็นนางรูปนันทามาสั่งเสียแดนวันนั้นมันอยู่ในจิตใจของข้าพระองค์อย่างเหนียวแน่นเลยมันคิดขึ้นมาเมื่อไหร่ มันอยู่ในจิตใจพระเจ้าค่ะเออเอาเถอะนะไปะพระพองค์เดี๋ยวจะพาเราจะพาไป อ, อไปดูจะเอาอยัางไงเอาจะจะึจะจะค่อยว่ากันนะตามเราไปก่อนเดี๋ยวจะพาไปพระพองค์แสดงฤทธ์นะที่นี่ยจากนั้นพระองค์ก็พา น, านันทะเดินตามหลังไปสองพี่น้องเหมือนกันแต่ผูใ้ใดเจ้าเป็นพระเจ้าพี่เด้พระ น, นันท์เนี่ยเป็นเป็นน้องชายต่างมารดา เดินตามหลังไปพระพุทธองค์กเ็เดินไปเดินไปไปกลางท้องนาทุ่งนาไปเห็นทุ่งนาตัวนงมีมีตอไม้มีตอไม้ตัวหนึ่งแล้วก็เดินผ่านไปพอผ่านไปเกิดพระพุทธเจ้านิรมิตลิงตัวหนึ่งนะลิงตัวเมียนะเลี้ยงลิงแกะนะ่ลิงแก่ลิงตัวเมียนั่งอยู่ที่ตอไม้อยู่กลางท้องนาแนะต่ตอไม้กับไฟไม่ดำๆใช่ไหม ลิงกับขมุกขมอ ม, อมนั่งอยู่ต่อไม้โรงบอยเห็นไหมนันทะเห็นครับลิงครับมาก็เดินไปเดินผ่านลิงไปพอเดินไปแต่ไปพระพระองค์พาไปชั้นสวรรค์เนีนไอมไปเห็นไปไปดูสาวสวรรค์เหมือนอพอไปเห็นพวกเทวบุตรมาต้อนรับนางสาวเทวดา ส, สันสวรรค์เลยมากับเทวบุตร เทวดากัมากราพระพุทธเจ้าโอ้โหสวยงามมากเลยทีนี้พนันทาพระพุทธองค์ก็ถามว่านันทาเห็นไหมเห็นเห็นเห็นสาวสวรรค์ไหมเห็นพระเจ้าขา่าเป็นไงสวยไหมโอ้สวยจริงๆพระเจ้าขา่ากับนางรูปรนันทาที่เป็นน้องสาวของของเธอใครสวยกว่ากันพระพระุทธองค์ก็ะซิบถามนะใครสวยกว่ากัน โอ้นางรูปะนันทามเหมือนกระลิงอยู่ในตอไม้แนละ้วพระเจ้าขา่าวนะว่าสาวสวรรค์นี่สวยกว่าเ อ, อจากนั้นก็พอเสร็จแล้วก็เออเออาไปถ้าหากว่าเธอนะปฏิบัติพรมอาจารย์นนะไม่ศึกนะปฏิบัติอย่างเนี้ยปฏิบัติพรมอาจารย์นนะเรารับรองเลยว่าเธอจะต้องได้สาวสวรรค์นะไม่ต้องเคิด เ, เรื่องเ อ, อเรื่องสาวมนุษย์ว่างั้นครับผมเอยรับเลยทีนี้ ก็พอเห็นสาวสวรรค์กยจะได้สาวสวรรค์จากนั้นก็ขึ้นไปอีกดาววัดึงไอ้จาตูมแล้วขึ้นไปดาววัดึงพอดาวดาวัดึงสาวดาววดึงสวยกว่าสาวจาตูมอีกแคนไหนอ่ะพอเห็นนะโอ้สาวสวรรค์ท่านนี้ทำไมสวยขนาดนี้พระองค์สวยไหมโอ้สวรรค์เมือม่อสวรรค์เมือ่อคราวที่แล้วเห็นเมื่อกี้เนะ่ะอันนั้นเหมือนกับ เหมือนเหมือนกระเลงอยู่ต่อไม้เลยพระเจ้าค่าอันนี้โอ้หสวยจริงๆเมือนงันเอาเถอนะนันทะถ้าหางว่าเธอปฏิบัติทรรมนะ เ, เรารับรองออสวรรค์สาวสวรรค์ชั้นนี้ได้แน่นอนถ้าเราเรารับประกันครับผมจากนั้นก็ขึ้นไปอีกสันดุสิตพอถึงสันดุสิตพอเห็นแล้วก็เอาเอาหรืมไม่เนาะเอาสามสันนี่ก็พอแล้วปะลงไป เ, เธอต้องปฏิบัตินะ ถ, ถ้าเท่าเคอยากจะได้สาวสวรรค์ชั้นนี้อท่านท่าก็ครับผมพอจากนั้นลงมาโอ้อยากจะสึกนี่หายหมดเลยสิพอจะได้อยากจะได้สาวสวรรค์ใช่ไหมเออแต่ทีเขาก็ถามว่าท่านนทะขึ้นไปที่ไหนไปที่ไหนพระพุทธองค์พาไปที่ไหนนันทะก็บอกโอ้พระพุทธองค์พาไปสวรรค์ถึงชั้นดุสิตโอ้สาวสวรรค์สวยมากเออพระพุทธองค์รับประกันว่า อถ้าว่าผมไม่ศึกนะผมจะได้จะเอาสวรรค์ชั้นไหนก็ได้ผมก็เอาเอาชั้นสูงๆนะ่ะสวยสวยกว่าทุกทุกชั้นคือสวยขึ้นไปเรื่อยๆมาเอออันนี้ก็คือพระนันทะจากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายก็โพูดเลยแต่นี่นันทะเป็นไงสาวสวรรค์สวยไหมสวยครับเออพระพุทธองค์รับปากการะกันจะให้ได้สาวสวรรค์ใช่ไหมครับที่แรกกับครับตั้งใจครับจริงๆเลย พอต่อมาพระทางวัดนี่ถามพุทธนกคถามธรรมเลนก็ถามพระก็ถามพุทธนสุกโอ้ตายตายตายตายเราปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้สาวสวัสดิ์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเลยท่านี่ก็อายหมู่ท่านนี่ไปหลบอยู่หลังวัดเไปเออไปหลบอยู่หลังวัดโต้ตายตเอออายหมูอายหมู่เขาเขาใครๆว่าเขาย่อเย้ยเลยพุทในสุก็เลยไปภาวนาอยู่หลังวัดท่านนี่อยู่ในมุมสงบไปตั้งอกตั้งใจภาวนา พอท่านองค์ตั้ง อ, อกตั้งใจภาวนาพระพุทธเจ้าก่นินรบิตไปสอนนะสอนทำขั้นดึกลึกซึ้งให้ พ, พนันทะท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์นะพอท่านได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์เสร็จแล้วท่านก็ออกมาเนยพระสงฆ์ก็ถามว่าพระสงฆ์ที่เป็นปุถุชนทนำะนันทะเป็นยังไงท่านเดยวจะไปสวรรค์ต้องการสาวสวรรค์ชั้นไหน โอยผมไม่ต้องการสวรรค์ทั้งหมดเรื่องสมมุติทางหลายทั้งปวงไม่อยู่ในใจของผมแล้วเองสวรรค์ชั้นไหนก็เถอะผมไม่อยู่ในใจแล้วพระสงฆ์ทางหลายเออพนันทะนี่เอออวดอุตตริมนุษย ธ, ธรรมเสร็แล้วเออตัวเองไม่ได้สําเร็จเ อ, อกว่านไม่ต้องการคําว่าไม่ต้องการคำนี้คือพระหันเท่านั้นพูดคํานี้ได้ถ้าปุตตชนน่าจะพูดอย่างนี้ไม่ได้เอออันนี้แสดงว่า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 เออนี่แหละนะพระสงฆ์ทั้งหลาย น, ะนันทานะที่เรารับประกันว่าอยากจะให้เธอได้สาวสวรรค์นั้นบัดนี้เธอได้เป็นพระหรหันแล้วจบแล้วภาระของเราที่รับปากกันก็แปลว่าสิ้นสุดลงและนะ้วนันทานะเออพระเจ้าค่ะเนี่นี่แหละการแนะนําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีมากมายหลายๆอย่างอันดับแรกพวกเราได้สังเกตไม่ว่าพระพุทธเจ้าสอนนางรูปานันทาเนี่ยเอาของ แก่ของไม่สวยอสุภะมาแนะนำสั่งสอนแต่สอนพระนั น, นท์่าเนี่ยเอาสองสวยงามมาแนะนำสั่งสอนอผลในสูตรก็ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลเหมือนกันทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นสรุปแรกก็คือเกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเหมือนกันเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านใน ศ, ศึกษาธรรมะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถึงยังไง ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายลุงปู่มั่นแนะนำสั่งสอนเนี่ยให้พวกเรายึดตามแนวแถวสายลงปู่มันตรงพ่อว่านะเพราะเหตุไรผหลวงพ่อแนะนำบอกแล้วบอกอีกว่าหลวงปู่มั่นของเราเมื่อท่านจุตินิพพานท่านมรณภาพไปแล้วพวกเราได้ไปชุมเพลิงท่านอธิษฐานของท่านเลยกลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นหลวงปู่สามกา้เป็นพระธาตุลงตามมหาบัวหลวงปู่ขาวหลวงปู่ต่าง อธิธาต์ของท่านเด็กล้ายเป็นพระทานให้พวกเราได้เห็นต่อหน้าต่อ ต, อตาแสดงว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่องค์หลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นมาเป็นสายของพระรหันต์ปฏิบัติธรรมนำทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติจนให้สําเร็จมรรคสำเร็จผลเพราะฉะนั้นพวกเราน่าจะตายใจหรือว่าเคารพนับถือเลื่อมใสในปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ มอบกายถวายชีวิตได้วะ น, นี่คือสายของพระหันเพราะนั้นขอให้ฝากไว้กับคณะรัตยาญาณโยมเป็นแนวความคิดนะแต่พวกเราท่านทั้งหลายจะเชื่อหรือไม่เชื่ อ, อยังไงกระสุดแท้แต่ในแนวความคิดแต่หลวงพ่อนี่บอกเน้แนวเท่านั้นแหะให้พวกเราท่านทั้งหลายเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นเบื้องต้นว่า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 รูปธรรมคือร่างกายร่างกายเกิดมาจากท้องแม่แล้วก็จะเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นก็ไปได้ยากพราะเกิดมาแล้วขี่ไล่ขี่เหลวเสร็จสวยงดงามดํำขาวกอได้มาแล้วแต่ใจของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้เป็นให้ให้โง่ก็ได้ให้ฉลาดก็ได้ให้เป็นบาปก็ได้ให้เป็นบุญก็ได้เปลี่ยนแปลงได้โลกนี้โลกหาได้อย่างที่คุณแม่ทีแก้วได้พูดไว้ใ น, ในวรรลีหนึ่งนะทว่าโลกนี้โลกหาได้ หาดีก็ได้หาชั่วก็ได้หาทารกก็ได้หาสวรรค์ก็ได้เออหาทุกข์ก็ได้หารวยก็ได้เออหาทุกข์หายังไงหาทุกข์ก็ขี้เกียจขี้ค้านน่ะเออไม่สะแสวงหาทรัพย์ก็ทุกข์เลยแต่หาทุกข์หารวยก็ต้องขยันไงนี่แหละหาอะไรก็ได้หาในโลกนี้เพราะนั้นพวกเราควรจะหาคุณนามความดีหาสิ่งที่ดีเข้ามาสู่กายว่าจาใจของพวกเราพวกเราจะมีแต่ความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าเมื่อโลกนี้เราก็